สระน้กา ก็ตั้งใจที่จะฟังธรรมกันตามเวลาที่จะเพิ่งมีให้กับบรรดาญาติโยมกันแล้วก็ให้พิจารณากันวันและวัย ดวงแล้วยากคืนกลับทุกสิ่งลับดับสูญสิ้นสลายเหลือแต่จิตสัตว์โลกที่วุ่นวายจึงเวียนว่ายสายสองรอเกิดเอ่ย ก็ขอให้เราทุกคนจงตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาทเราก็จะเป็นผู้มีความเจริญใน การที่เราได้เกิดมาแม้บางคนก็ได้ประมาทในในการก่อนแต่เมื่อภายหลังก็เป็นผู้ไม่ประมาทเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่อง ว่าไม่นานหนอไก่นี้จะนอนทับแผ่นดิตไกน่นี้มีวิญญาณไปปราดอันบุคคลทิ้งแล้วเราวกับต้นไม้ไม่มีประโยชน์ก็มี ในเรื่องของอพระบูติคตะติสเถระเรื่องกรรมโยมใครยังไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องเวรก็ ฟังกันดูและกันว่าเมื่อไรเราจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิและก็เมื่อไรเราจะหมดจากความสงสัยย้อนอดีตให้ฟังสักนิดเนี่ยว่าในบุพกรรมของ ของพระปูติคัตตะติสเทระนะกันในทุกคนต้องกล่าวว่ามีอดีตกันในอดีตของแต่ละคนโดยเฉพาะโดยเฉพาะของ ของพระรูปนี้เนี่ยก่อนนั้นท่านก็เกิดในยุคการแห่งพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระกัสปะ <c oughs> แล้วก็มีอาชีพเป็นนายพรานเกี่ยวกับเรื่องจับนกฆ่านกเป็นอันมาก ที่บำรุงอิสระชนทั้งหลายทั้งจับไม่ขายด้วยบางวันก็ได้มาเยอะนอกพอจับมาได้มากบางทีก็ขายไม่หมดเมื่อขายไม่หมดก็ ตนจะค่าเสียหมดก็กลัวจะเน่าทิ้งก็จึงใช้วิธีหักหักกระดูกขาหักแข้งบ้างหักกระดูกปีกบ้างเพราะไม่มีโครงไว้ใส่ กลัวนกจะบินหนีไปยอมดูเรื่องเวรกรรมนะเรื่องเวรกรรมหักกระดูกผู้อื่นหักแข้งหักขาหักปีก จนนกนั่นบินไม่ได้เจ็บปวดทรมานแล้วก็ในที่สุดเขาก็ฆ่านกนั้นเสียในในวันต่ อ, ตอมานี่คือกรรมเรื่องหนึ่งเวลาตอนมาใช้กรรมอยู่ ชีวิตของตนนั้นก็มาเกิดเป็นพระเมื่อหลังจากได้ไปเสวยบิบากในทุกขติแล้วนะพอได้อัตภาพในในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ก็ได้มาเป็นพิสุกยมทราบไหมว่าสภาพชีวิตเป็นอย่างไรเนื้อตัวเนี่ยอยู่ไปอยู่มาก็เกิดผุพองขึ้นเป็นตุ่มโตขึ้น มากขึ้นมากขึ้นก็แตกน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลเนื้อหนังก็ค่อยค่อยเน่าเน่าเเะไปเรื่อยจนถึงกระดูกแม้แต่กระดูกก็ยังแตกไม่ว่าแขนไม่ว่าขา นี่คือเรื่องบุพกรรมไม่ว่าจะอยู่ในอัตภาพไหนก็คือกรรมไม่ละเวน้นก็ด้วยผลที่เราไปหักกระดูกนกทั้งหลายหักแข้งหักขาเขาไว้นี่คือบุพกรรม ต้องไปใช้กรรมแล้วก็ในชาติสุดท้ายก็มารับกรรมในแต่ละอัตภาพที่จะต้องกระดูกทั้งหลายต้องมาแตกเดี๋ยวลองพิจารณาดู ถ้พิจารณาแล้วก็ใจเห็นว่าเราไม่ควรสร้างบาปแม้น้อยก็อย่าทำเลยเพราะว่าบาปกรรมเมื่อทำแล้วเนี่ยทำให้เราต้องมาร้อนใจภายหลังบาปนั้นเราไม่ควรทำ แต่ก็โชคดีในกรรมดีเขาก็มีอยู่ซึ่งในวันหนึ่งในวันหนึ่งก็มีพร ะ, ะขีนาศพรูปน่ท่านก็ออกจากนิโรธสมาบัติเหมือนกันแล้วก็ ออกมาเพื่อจะปลดในการโคจรบินธรรบาตส่วนพระปูตติคตัสสะติสเทระเนี่ยก็เคย ทำบาปมามากพอเห็นพระขีนาศบออกมาบินธบาบนนั้นก็มีใจที่อยากจะทำบุญโยมดูนะบุญก็คือคือส่วนหนึ่งของบุญแต่ว่าบาปก็คือส่วนหนึ่ง ที่เป็นบาปในวันนั้นยามเช้าก็มีพระคีณาศพท่านเที่ยวออกบินธราบาตรก็พระ ปูติคัตตติสสะเนี่ยเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ะระลึกว่าตนนั้นทำบาปกรรมมาเยอะข่าสัตว์ตัดชีวิตมามากเราควรที่จะสร้างบุญกุศลไว้บ้าง ก็เลยนาอาหารมาถวายแด่พระกีณาสบอันมีโพชนะมีรถไม่ว่าข้าวสุกทั้งหลายหรือว่า อาหารอะไรก็ได้ถวายด้วยใจที่เริ่มใสแล้วก็ศรัทธาในโภชนะอันมีรสนั้นให้เต็มบาทเมื่อถวายเสร็จเรียบร้อยก็กลาบ กราบพระคีตาศพแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าพึงถึงที่สุดแห่งธรรมที่ท่านเห็นเถิดพระเทระก็ได้ทำอนุโมทนาว่าจงเป็นอย่างนั้นนี่คือผล บุญมหาศาลแม้จะทำบุญเพียงครั้งเดียวก็ตามแต่ทำถูกนาบุญอานิสงส์ย่อมมากมายและบุพกรรมที่ได้ทำกับพระคีนาศพผู้หมดจดจากกิเลสแล้วโดยจิตเลื่อมใสใจศรัทธาน้อม ถวายในโภชนะอันมีรถให้เต็มแล้วเนี่ยจึงกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าถึงที่สุดแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นเถิดพระกินาศก็ให้พอดอนุโมทันนาว่า ขอให้เป็นเช่นนั้นบุญกับกรรมนี่เหมือนจะไม่ละเว้นใครในะยกทำดีก็เป็นเรื่องดีทำเลวก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ร้อนใจทีหลังในที่สุด การวนเวียนอยู่ในทุกขติและก็ในฉากสุดท้ายมาเป็นพระอุติัตตติสเถระเนี่ยพอบวชมาก็อยู่ได้ไม่นานก็เกิดโรคขึ้น ในร่างกายไม่ว่าผิวของท่านเองก็ค่อยๆมีเม็ดมีตุ่มขึ้นโตขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็ในที่สุดก็เนา เปื่อยแล้วก็กินถึงกระดูกจนไม่มีใครที่จะดูแลไหวแล้วก็หนีหมดเลยก็ปล่อยให้ท่านมีสภาพที่เต็มไปด้วยหนองแล้วก็เลือดอยู่ในร่างกาย แต่ด้วยบุญพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีการตรวจสัตว์โลกในยามเช้าใกล้รุ่งว่าสัตว์ใดเนาะจะเข้าในข่ายพญานก็จะตรวจ ตั้งแต่นูและไกลสุดขอแพ่งจั ก, กรวาลจนถึงรอบในคันธะกุดีทั้งหลายก็ได้เห็นพระที่อาพาธหนะักอยู่พระปูติคัตะติติสเถระ นอนสมกระดูกแตกทั้งแขนทั้งทั้งขาก็เพราะกรรมที่ไปทำปณิบาทหักแขนหักขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก็ใช้กรรมกันอยู่นานแล้วล่ะแต่ในอัตภาพสุดท้ายก็ยัง เป็นเช่นนี้อยู่แต่ด้วยกุศลที่ได้สร้างไว้บุญที่ได้ทำให้กับพระคีนาศพที่มีความปรารถนาอธิษฐานว่าขอให้ถึงทำเป็นผู้เห็นธรรมเหมือนของผู้ชินจาก กิเลสในวันนั้นก็คือพระขีณาศพพระพุทธเจ้าเมื่อทราบว่าปิสุรูปนี้มีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงความเป็นอรหันต์ได้แต่บัดนี้สัตธิวิหาริกทั้งหลาย ได้ทอดทิ้งแล้วไม่ว่าผู้ที่ท่านบวชก็ไม่สามารถจะดูแลท่านได้แล้วต้องโทษว่าเป็นกรรมเหมือนกันก็ดูแลอุปถากแล้วก็ในที่สุดก็ถูกทอดทิ้งนอนจมอยู่กับหนองแล้วก็เลือดพร้อมั้งความเจ็บปวดทรมานในกระดูก ทั้งแขนขาที่ตนเคยไปเบียดเบียนสัตว์หักแข้งหักขานกไว้เพราะว่าถ้าไม่หักปีคักขาไว้ก็กลวนกจะบินนี้บางวันก็จับได้มากขายไม่หมดแต่ข่าทิ้งก็จะเน่าเสียก็ต้องทำวิธีนี้ นี่คือกรรมการให้ผลในอัตภาพของร่างกายประพุทธเจ้าก็เสด็จมาในกันท้ากุฎีของพิสุที่ป่วยในก็นมาอุปถากดูแล ชำระล้างในร่างกายสตีระของพิสุในการต้มน้ำในการเช็ดตัวในการถูนี่พระพุทธเจ้า ไม่เคยทิ้งเลยนะถ้าใครที่จะโปรดได้แล้วมีอุปนิสัยแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ใดที่ไหนใกล้ไกลอย่างไรภนะาษศาสดาเนี่ยจะแผ่รัศมีไปเหมือนกับอยู่เฉพาะหน้าเลยนะให้ปรากฏขึ้น ก็ทำความสะอาดเนื้อตัวผ้าทั้งหลายก็เอาไปซักเอาไปต้มเอาไปขยำเอาไปผึ่งแดดทำให้พิสูจน์นั้นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนอนอยู่บนเตียงเมื่อเสร็จแล้ว พระองค์ก็แสดงธรรมให้ปิสุได้พิจารณาว่าอาจิรังวัตยังไกยโยอดิเซสติจุตโธอเปตวิญญาโนนิลทัทธังวะกลิงกะรังซึ่งแปลว่าอีกไม่นานแล้ว ในร่างกายนี้จะนอนทับซึ่งแผ่นดินอันปราศจากบิน ญ, ญาณถูกทอดทิ้งอันหาประโยชน์ไม่ได้ท่านพระปุติคัตตะติสสะเทระ ฟังทมแล้วใจน้อมเห็นหรือว่าตนก็ถูกทอดทิ้งอยู่แล้วร่างกายนี้ก็เน่าเปื่อยกระดูกก็แตกหมดแล้วเราจะมาพอใจยินดีอยู่กับร่างที่ถูกทอดทิ้งอยู่ทำไมไม่มี อุปการะอะไรอีกล่วที่จะเป็นประโยชน์ในกายนี้หนอก็เลยแสดงให้ขินธรรมะเหมือนผู้ที่เข้าป่าไปหาเก่นไม้แต่ก็ไม่ได้ แก่นไม้เลยไม่ได้ตัดมาเลยที่ตัดแล้วก็ไม่มีแก่นก็ทิ้งหมดทุกอย่างก็ฉีดเช่นเดียวกันร่างกายนี้ก็ไม่มีแก่นอะไรที่จะเอาได้ก็ถูกทิ้งไว้ในป่าเช่นเดียวกันท่านกน็นาอพิจนารณ า, าตาม ในตาภาพ32บอในอสุภสัญญาทั้งหลายในทุกข์ที่เกิดทั้งหลายอันไม่มีเกณฑ์สารอีกแล้วที่ท่านจะต้องยึดถือและบัดนี้ร่างนี้ก็เสมือนเป็นทุกข์ และถูกทอดทิ้งแล้วบัดนี้นี่พระผู้เป็นเจ้ามาโปรดเราแท้ๆก็ยังให้เกิดจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วก็น้อมสู่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจนเห็นแจ้งรู้แจ้ง ในรูปขันน้ำขันทั้งหลายอันไม่มีประโยชน์อีกแล้วที่เราจะยึดอยู่โดยสภาพแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์สภาพทนอยู่ได้ยากเราจะมายินดีอยู่กับกายที่เน่าอยู่กระดูกที่แตกที่หักอยู่ทำไมมีจิตส่งไปสู่ธรรมะ เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงจบพระปุติคัตตติสสะเทระนีก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ได้ปฏิสัมพิธาสีด้วยยมลองพิจารณาดูเมื่อบรรลุเสร็จ ก็าทำการะกิริยาในบัดนั้นเช่นเดียวกันสรีระนี้ก็หมดไปกิเลสทั้งหลายก็หมดพร้อมกันไปพระพุทธเจ้าก็ให้ไปพิสูจน์ทำสรีระกิจและทรงเก็บอธัธิและก็ให้ทำเจดีไว้ นี่แหละยัดยจมทั้งหลายก็ยังมีพิสุยังอยากจะทราบว่าเมื่อท่านสิ้นไปแล้วท่านไปไหนต่อในคติภพภูมิผู้เจ้าบอกว่ า, วาเธอได้ปรินิพานแล้วได้บรรลุสิ้นสุดแห่งความเบียนไบไตเกิด นี่คือบุญและก็กรรมพิสูจจริงอยากจะรั่วกรรมอะไรเนาะเมื่อผู้มีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงอรันตผลแล้วเช่นไหนจึงมีกายอันเน่าเปื่อยกระดูกต้องแตกทั้งหมดนี้ก็พูะเจ้าก็แสดงให้ดูว่า ในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระ น, นามว่ากัจจปะในยุคนั้นท่านเป็นผู้ขานกเป็นอันมากเมื่อขายไม่หมดก็หักแข้งหักขาเพื่อจะนำมาขายวันต่อต่อไป เพราะถ้า่าทิ้งก็จะกลัวเน่าเสียนี่คือผลกรรมโยมแล้วก็เหตุที่จะบรรลุก็เพราะได้ถวายทานพร้อมทั้งมีจิตอนน้อมไปสู่ธ ร, รมปรารถนาที่จะได้เห็นแจ้งธรรมด้วยในของพระคีณาศพในพระองค์เนะี่ย ฉะนั้นใครที่ประมาทอยู่ในการกอดท่าน่าดีใจนะกรรมนี้ให้ผลเราอย่างเจ็บแสบญาติโยมเราจึงต้องบำเพ็ญปฏิบัติสร้างบารมีในสิ่งที่ดีไว้ ไม่เสียหายแต่ถ้าทำแต่กรรมไม่ดีอย่าท้านะบอกไว้เรื่องเวนเรื่องกรรมอาตมาหยุดในวาจาที่ท้าทายมาแล้วเหมือนเคยท้าทายร่างกายที่ยังหนุ่มแข็งแรงอยู่ ก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้กำลังจะแบกหามอย่างไรก็ได้แต่บัดนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นของหนักเรากำลังแบกของหนักพาไปที่พระเจ้าจัดว่าขันห้าเป็นของหนัก ภาราหาเวปัญจักขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักฉะนั้นจัจมบัด น, นี้ก็มีผู้ตื่นจากอันเป็นกรรมปีบากทั้งหลายที่ตนได้ทำไป ได้มารักษาศีลบำเพ็ญธรรมแม้จะตื่นแต่ดึกเหมือนเห็นว่าตนนั้นเวลาจะน้อยแล้วไม่มากพอที่จะมานอนหลับไหลอีกก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำความเพีย เหมือน ญ, ญาติโยมที่มาปฏิบัติอยู่ในตอนนี้ก็ตื่นตั้งแต่ตีสามตีสามครึ่งก็ทำวัดสวดมนต์แปรและสาธยายธรรมเสร็จแล้วก็เจริญกรรมฐานแล้วก็ฟังธรรม เชิงตะกอนนอนร่างก่อนย่างเผาญาติช่วยเอาใส่เตาเข้าไฟสุมณนะเมรุนี้มิใช่เพียงประชุมหรือรวมกลุ่มพบญาติตอนขาดใจ เชิงตะกอนสอนใจให้จงคิดจบชีวิตแค่ไม่รู้เช่นนั้นไม่คุณความดีที่เหลือระเบือไกลจะส่งไว้ให้จำคร่ำครวนเอ่ยเชิงตะกอน นอนงายสายตราสังโอ้นิจจังเที่ยงจริงสิ่งนี้หนอทุกชีวิตเกิดแล้วมีตายรอเที่ยวเพียงขอหวังเฝ้าเอาอะไรแยดโยมทั้งหลาย ลองพิจารณากันดูพวงมาลาเต็มสาลาหอมตลบพึกษาอบไอกลิ่นโูกรูปตั้งเด่นจากสุดท้ายแห่งชีวิตมิคิดเป็น ผู้อยู่เห็นเป็นตัวอย่างทางชั่วดีถ้ามาว่าเรามีโอกาสที่โชคดีมีวาสนามีบุญได้เกิดมาได้ยินคำว่าให้ทานได้ยินคำว่ารักษาศีลได้ยินคำว่าเจริญ กิตตภาวนาตั้งแต่ทำขั้นชาญนจนถึงเจโตวิมุตตหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งการทำสมาธิหรือแห่งปัญญาวิมุตต์อำนาจหลุดพ้นด้วยเจริญวิปัสสนาอย่างไรก็ตามขอญาตโยมจงเป็นผู้เลือก ทำในกรรมที่ดีไว้อย่ามาประมาทอยู่จะมาได้มาพิจารณาแล้วเมื่อยิ่งใกล้คุณธรรมเข้ามากเท่าไหร่ยิ่งเห็น ตัวเรามีความประมาทมากเท่านั้นมันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องจริงซะด้วยก่อนที่เราจะรู้ธรรมะในขั้นปฏิบัติเมื่อก่อนเราก็ยังคิดว่าเราดีเด่นอดเก่งอดมั่งอวดมีเหมือนแมลงป่อง ชูหางและพ้นพิษดุดชีวิตที่เห็นผิดในครองธรรมเราไม่เข้าใจเลยวิธีกรรมการเกิดแก่เจ็บตายมัวแต่วุ่นวายในเรื่อง บุตเรื่องทรัพย์เรื่องอำนาจราบยศเรื่องสรรเสริญนินทาเรื่องตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยเป็นความหลงที่ไม่รู้จักอิ่มสะกทีอะไรยิ่งสแสวงหาสุขอันเป็นโรกียสุขเหมือนยิ่งเพิ่มความทุกข์ มากเข้าไปอีกให้กับใจเพราะอำนาจแห่งความดิ้นรนทั้งหน้าที่การงานแล้วทั้งความใคร่ความกำหนัดความยินดีเราไม่ไม่รู้เลยเพอยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความประมาท ยิ่งเห็นไปเรื่อยเรื่อ ย, อยจุดเริ่มต้นสิ่งนี้หามีไม่จุดสุดท้ายก็ไม่มีให้เห็นในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เป็นแม้ทุกขังยังเป็นอนัตตา ฉะนั้นอย่าประมาทอานาจิตควรเริ่มคิดละวางอย่ากังขาเฝ้าดูจิตเป็นบุญหนุนเนื่องพาปราถนาตรงเป้าเข้านิพพานใช่เลยอยัดโยมคํเนี้ ปรารถนาตรงเป้าเข้านิพพานอย่ามาเฝ้านิพพานไม่มีอะไรต้องเข้านิพพานทำใจว่าวางคลายรอตายถึงนาทีซึ่งท้ายสุดจบจุดผันทน ทนทนทุกอย่างล้างชีวันเป็นนิรันจิตขัดอนตัตตาเป็นนิรันจิตชัดอนตัตตาต้องแจมแจ้งถ้าติดขัด ยังไม่ถูกต้องจิตชัดจริงอนัตตาเราอย่าโมชากันเลยโยกตื่นเลยยังเนี่ยก่อนจะสิ้นสุดในวันเดือนปีก่อนจะสิ้นสุดในลมหายใจที่สู่เปรียวอคี อาตมาว่าตื่นเถอะโยมตะวันสายโด่งแล้วโยมบอกฟ้ากำลังสางเองนั่นมันเวลานั่นมันท้องฟ้านั่นแสงอรุณรุ่งของวันใหม่แต่แสงธรรม นำสองใจเนี่ยควรสว่างสวัยได้แล้วแม้อาทิตย์จะอัสดงคดลงไปก็ตามแม้สุริยาจะทอแสงในยามเช้าในค่ำคืนก็ยังมีจันทรา คอยท่ามิใช่หรือเราคนจะตรึกตรึกในธรรมหวนพิจารณาและโยมจะเข้าใจสิ่งที่อนละโวนโอนละเวงสิ่งที่เราไม่เคยยำเกรงไม่เคยรู้ในพิษภัย ในพบน้อยใหญ่วันนี้ปลุกให้ตื่นกันแล้วก็ทบทวนชีวิตที่ผ่านพ้นมาเราต่างคนต่างใช้เวลาเท่ากันในแต่ละวันแต่ละเดือน แต่ไม่ได้เสมอภาคกันโดยคำว่าอายุและก็วัยสังขารบางคนหนุ่มแน่นก็ทุกพลภาพแล้วก็มีบางคนอยู่สี่ห้าสบปีก็ยังดูอัตภาพยังมีกำลังอยู่พอประมาณ บางคนพออยู่มากไปสังขารมีแต่โรคภัยไข้เจ็บทั้งเหน็บทั้งชาทั้งเย็นเข้าไปถึงกระดูกทั้งร้อนเข้าไปในกายยาไม่ทราบว่าอนิจจาเราช้าไปหรือเปล่า บางคนไฟนรกก็หมกไหม้ขึ้นมาถึงจิตใจแล้วนะขุมอเวจีก็เปิดรออยู่แล้วสำหรับชีวิตบางคนบางท่านที่กำลังดิ้นรนอยู่ด้วยอำนาจแห่งบาปทั้งหลายอัตมาจะกล่าวว่าบาป จงไม่เกิดแดเราอีกต่อไปบาปจงไม่เกิดแด่ญาติาดดยโยมผู้รู้แจ้งทำอีกต่อไปด้วยอำนาจในศีลด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพศีลานุภาพ จากคานุภาพจนถึงเทวดาทั้งหลายเรานึกถึงองค์กรรมฐานองค์แห่งความดีในบุญกุศลในทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาอย่าหลงอัธรรมาตเตือนไว ท่านจะมั่งมียากจนค้นแค้นเพียงไหนแต่ใจของผู้มีบาปอยู่ด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวายโซฟาที่นิ่มรองรับกายที่จะเน่าไม่กี่วันเรือนร่างบ้านหลังใหญ่ รองรับอยู่ในกายยาไม่กี่คืนไม่กี่วันเพียงข้ามคืนก็เปลี่ยนผันกลับเป็นตายไปแล้วจงยายินดีแม้แต่ทรัพย์เพื่อทำชั่วเลย อาตมาไม่ยินดีในทรัพย์เพื่อบาปแม่น้อยก็ไม่ยินดีที่จะแตะหรือจะต้องหรือจะคิดที่จะหยิบช่วยหรือจะนำมาเป็นเจ้าของไม่ยินดีแมทรัพย์แม่ลาบสักการะมีผู้ถวายเครื่องทยธรรมทยทานมาก็ตาม เราก็ไม่เคยยินดีที่จะเป็นของโดยส่วนตนทำให้เป็นส่วนกลางมีครั้งสง่งและสมมุติส่งขึ้นมาดูแลและก็ถวายเป็นฐานขึ้นมามีโรงทานมีผู้รับ อาหารพิสุสำ ม, มนเนินแม่ชีญาติโยมผู้บำเพ็ญโยคาวจรผู้ปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส ท, ทั้งหลายก็ได้รับในกุศลทานแล้วก็ไม่เคยขาดจากผู้มาเป็นเจ้าภาพ ถวายทานในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเต็มทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือ น, อนบุคคลเมื่อมาปฏิบัติจึงเห็นหนทางในการใช้ทรัพย์รู้จักสร้างอริยทรัพย์รู้จัก การงดเสียซึ่งบาปกรรมทั้งปวงรู้จักชีวิตด้วยความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงทนตั้งอยู่ได้นานแต่ละคนเหมือนกําลังที่แสวงหาหนทางที่ไปจากทุกขติแล้วไปสู่สุกติอันมีมนุษย์สมบัติ ที่พยสมบัติและนิพพานสมบัติในท้ายที่สุดก็ต้องอาศัยการบําเพ็ญปฏิบัติจนเข้าถึงความรู้จิตในวัตตะทั้งหลายจนถึงที่สุดแห่งจิตดวงที่รู้นั้นจะปรากฏ บุญบาปเป็นทรัพย์เป็นวิบากและก็เป็นกรรมที่ตนได้ทำไ้บุคคลนั้นจะพึงเป็นผู้นำไปทมโมปาเปติสุขติทรรมย่อมนำไปสู่สุขติอรรมโมนิรยัง อาธรรมนำไปสู่นรกฉะนั้นอย่าจมจงเป็นผู้มีทานศีลภาวนาจงเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เลือกเฟ้นชีวิตเราต้องเลือกทุกอย่างต้องเลือก ไม่ว่าจะทำอะไรต้องเลือกสาระประโยชน์การเกิดก็เช่นเดียวกันเราเลือกได้ถ้าเราเลือกทำในกรรมดีสิ่งที่จะไปก็คือสุคติแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้จักเลือกคนทางเหมือนที่เรียกว่า คนเมาเมาหมัวลุ่มหลงขัดเคืองนั่นคือกำหนัดเป็นโทษภัยที่ท่านยังไม่เข้าไปสู่ธรรมะที่แท้จริงฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยแสวงหาคนทางศีลสมาธิปัญญา หรือโรกุตละลรทำโรกุตตละจิตไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยปฏิบัติไม่เคยเห็นหนทางของผู้บาเพ็ญในขัมมะก็ขอเชิญมาดูมาให้เห็นผู้ที่มาบาเพ็ญเขาอยู่กันอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรพระผู้มีศีลาจารวัฏ มีข้อวัดประพฤติอันงดงามเขาอยู่กันอย่างไรให้หยัดยมน้อมมาดูและจะได้เห็นจะได้เข้าใจว่าโลกที่แท้จริงที่เรายินดีอยู่ไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นโลกภายในคือใจของผู้สแสวงหาโมกขธรรมในเวลา ของช่วงท้ายที่เราจะจากกันไปก็คือขอให้จงมีสติปัญญาทุกท่านทุกคนจงมีความสุขในธรรมโดยทั่วถึงกันบัดนี้ การเวลาไม่ค่อยใครไม่ว่าท่านจะหัวเราะร้ อ, รองไห้ดีใจเสียใจจะสุขหรือจะทุกข์จะรวยหรือจะจนเวลาของทุกคนกำลังจะหมดไป ท่านได้บำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญทานบารมีแค่ไหนตามสติกำลังที่ท่านจะพึงทำได้ก็จงเร่งรีบขนขวายในกิจนิเสียก่อนที่ชีวิตจะไม่มีความดีที่ติดตัวไปเหมือน ทพีที่ไม่รู้รถแกงชั้นใดแม้จะฟังธรรมอยู่ใกล้ปราดบัณดิตก็ยังไม่ได้ศึกษาปฏิบัติและก็ไม่ได้เกิดสัมมาทิฏฐิเลยจึงเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ในพระสัตธรรมในท้ายที่สุดแห่งการฟังธรรม ขอญาติยมจงเป็นผู้ตื่นไม่ประมาทจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ขาดทุนบุญที่เกิดมาขอจงได้รับความสุขความเจริญในธรรมโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเถิญขอเจริญพร